ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอเรื่องราวของเจ้าชาศสิทธัตถะในช่วงที่เข้าไปศึกษาในสำนักของครูวิศวามิตรแต่ก็นำเสนอถึงคุณสมบัติของความเป็นครูกับศาสตร์ที่เจ้าชายได้ศึกษา พระเมื่อศึกษาจบศิลปศาสตร์แล้วเนี่ยก็คงสงบเสงี่ยมเรียบร้อยไม่แสดงอาการให้คนอื่นก็เห็นว่ามีความรับรู้แตกฉานในเรื่องนั้นตามปกติถ้าเราไปมองถึงในที่อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือราชกุมารร่วมสมัยกับพระพุทธเจา้าก็คือเจ้าชายทิตถะ เป็นปเสนชิแล้วก็พันธุระแล้วก็มาลินะฮะก็อยู่คนละเมืองกันก็เป็นพวกรุ่นดาวคาเดียกันแต่ทั้งสามองค์เนี่ยและเทกุมานอีกสามองค์นอกจากเจ้าชายจิตตถาเนี่ยท่านมาถึงตั้งก็แสดงศิละปะวิชาของตัวเองที่ศึกษาและเรียนมา ระเศนที่นั้นแสดงจนพิธีโปรดปรานของพระราชบิดาคือพระเจ้าหมหาระเศนที่ก็ทรงสถาปนาให้เป็นกษัตริย์ครองราชสมบัติในกรุงสาวัตถีในแคว้นกาศีกับแคว้นโกศลนะท่านมาลิซึ่งเป็นผู้ลิ์ชวีอยู่ที่วัตถีนะ ก็ไปแสดงศิละปะท่านแสดงอย่างไงไม่ทราบนะก็แต่ว่าทำให้ตาบอดไปแต่ก็กลายเป็นอาจารย์สั่งสอนราชบุมารีต่อไปพันธุระซึ่งเป็นพวกมลละกษัตริย์ก็ได้แสดงเรื่องคงแสดงทั้งหมดน ะ, ะนะรัริย์สมัยนั้นมาก็ศึกษา ตัวหลักที่มาโชว์กันเนี่ยมันก็ขี่มา้ายิงธนูแล้วก็ฟันดาบเป็นวิชาของผู้นำทัพปรากฏว่าพันธุรักษยเสนาบดีแสดงด้วยการใช้ดาบฟันไม้ไผ่ทั้งมัดเขาโบตั้งหกสิบหกสิบอันนะนะยังนึกมันใหญ่นะหกสิบอันเนี่ยแต่ท่านกันโดดลอยขึ้นไปบนอากาศ ฝันสุดแรงแสดงว่าดาบก็มีประสิทธิภาพมากปรากฏว่ามีเสียงดังกิ๊กขึ้นมาในไม้ไผ่ลำสุดท้ายท่านถามว่าอะไรเขาบอกว่าคนแอบเอาซี่เหล็กไปใส่ไว้ทานน้อยประไทยเนี่ยว่าเรื่องขนาดนี้พระญาติไม่กระซิบบอกใอ้ก่อน พระยาพี่น้องมากมายไก่กองรู้เห็นเรื่องเหล่านี้ไม่มีใครกระซิบบอกเลยถ้ากระซิบบอกไม่ว่าอะไรหรอกเจ้าฟันแม่มีเสียงดังคือเพิ่มแรงขึ้นมามากกว่านั้นก็ในที่สุดก็เห็นว่าเรื่องขนาดนี้แสดงว่าพระญาต์ไม่มีความสุจริตใจยอยู่ไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็เลยก็มารับราชการอยู่ก็ไปกลับไปเจ้าเปรส ประสินที่กุศลซึ่งเป็นพระสาหายแต่ก็มีบั้นปลายชีวิตที่น่าเสียดายนะฮะเพราะว่าพระเจ้าประสินนิโกศลเป็นหลงเชื่อพวกอำมาตย์ที่ประจบสอพรอมากไปในวางแผนฆ่าท่านพันดุละกับลูกชายตายต่างถลายสามสิบสองสามสิบสามคนนะ่ะทั้งหมดแล้วก็เป็นเอห้พระนาง น, นาลิกาเทวีสเสด็จกลับไปอยู่ที่แคว้นมันละ แล้วก็ได้ดูแลตอนพระพุทธเจ้าส่งชวนก่อนจะนิพพานนะฮะพระนางมาริกาก็อยู่ตรงนั้นมันเป็นเหตุผลในปรวัติศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ได้มองในมุมใดมุมหนึ่งนะฮะแต่เห็นว่ามันบอกให้เรารู้ว่าคนสมัยนั้นเนี่ยมันการวัดผลในการเรียนการสอนเนี่ยมันไม่ใช่วัดผลกันด้วยวิธีที่เราวัดในปัจจุบัน เราดูอีกคนหนึ่งก็ได้นะดูหมอชีวกโกมารพัทเนี่ยหมอชีวกโกมารพัทมันถูกวัดขนโดยวิธีการที่อาจารย์ให้จอบไปคนละเล่มแล้วแยกย้ายกันไปในทิศทั้งสี่ของเมืองตักกศิลาโดยให้ไปดูว่ามีพืชทันทันยาหารอะไรก็ตามนะนะ อะไรบ้างที่ใช้ประกอบเป็นยารักษาโรคไม่ได้เนี่ยให้เอามาคนอื่นก็หอบมาได้เป็นวันละหอบละหอบชีวะกโกมาราพัดไม่ได้สักอันหนึ่งอาจารย์สอบถามมาทำไมไม่ได้ล่ะบอกมันมันไม่มีอะไรที่ใช้ทำยาไม่ได้นะอาจารย์ไม่ใช้ทำยาได้ทั้งนั้นเน่ะแสดงว่าโอ้ยิ่งใหญ่มากในศาสตร์เล้่เนี้ย คือธรรมชาติจริงๆเนี่ยเราไม่เข้าใจเขานะถ้แต่เราเข้าใจเขามันมีอะไรซ่อนเร้นอยู่อีกเยอะเลยก็ยังนึกถึงนานมาแล้วสมัยยังไม่บวชนะฮะก่อนบวชหลายปีประมาณสามสปีคือเข้าไปอยู่ในป่าก็ไปติดต่อกับพวกเนาะเซมังสากาัไปศึกษาวิถีชีวิตเขาพวกนี้มันจะรู้พืชทั้งหมดในป่า เราขอเขาให้ดีนะให้เขาแนะนำให้ดีแล้วเขาจะบอกเราก็ไปศึกษาดูเออมันก็แปลกว่าเช่นต้นไม้ที่มีพิษเนี่ยมันจะมีต้นไม้ที่แก้พิษอยู่ใกล้ๆนั่นแหละแล้วก็ผลไม้บางอย่างเนี่ยมีคุณค่าสูงมันจะมีงูดูในขณะเดียวกันก็มีต้นไม้อีกต้นหนึ่งสมรับที่แก้พิษงูตนั้น พวกเออพวกนี้มันแตกฉานในศาสตร์ในศาสตร์ป่านะแล้วก็หาประโยชน์กระยูมาก็ป่าตั้งแต่บรรพชนนะเขาเรียกว่าอะไรล่ะคติชนวิทยานะเป็นลนักษณะคติชนวิทยาอย่างหนึ่งเป็นภูมิปัญญาของของคนป่านะไม่ใช่ชาวบ้านนะคนป่าเลยนี่ก็คือ ลักษณะของการเรียนการสอนการวัดผลมันเก่งจริงๆนะแล้วเขาเก่งก็เก่งจริงๆเลยเราต้องยอมก็เลยแนะวอินเดียจนถึงทุกวันเนี่ยนะถ้าคนที่เก่งเก่งจริงๆเก่งจนจนน่าทึ่งมากๆากนะเราเ้วาปัตเนี่ยเป็นนักปรารถทาพระพุทธศาสนา ท่านเคยมาทางเอเชียทางทางบ้านเราเนี่ยแถวลาวแถวกัเมเบนแถวอะไรไปตอนนั้นกัมเบนยังไม่เป็นคอมมินิตนะคือท่านไปเขียนเอาไว้บอกว่าคนที่เก่งศาสนาจริงๆเนี่ยคือสังกราชกัเมเบนแต่ก็พบสังกราสเรารู้เปล่าก็เราไม่รู้เหมือนกันสมัยนั้นก็เป็นยุคสุนเด็จไปสังกราชเจ้าวนะแต่เป็นคนที่รอบรู้จริงๆเก่งจริง ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ หรือมาลาเซียเกลาเนี่ยแกทําบาลีพระคุณเดิมตั้งสองเล่มเนี่ยอุปสมบทนะแต่ก็ทําได้ซึ่งถือว่าเก่งมากๆาทนการการศึกษาตรงนี้พอมาถึงเจ้าชายติตะถาเนี่ยท่านไม่ได้แสดงอะไรเพราะท่านไม่ฝ่ายประไทยที่จะครองราชที่จะเป็นไม่จะเป็นดินและก็ไม่สนประไทยที่จะโอ้อวดวิชาความรู้อะไร ประแต่ก็นแน่พระไทยวิชาความรู้นี้ท่านไม่ต้องการใช้เลยก็ไม่อวดมันก็เกิดปัญหาอีตอนที่เจ้าชายสุธรมไม่ได้สนพระไทยเรื่องเพศตรงกันข้ามเลยไปชนัาษาตั้งสิบหกแล้วไม่ได้สนใจผู้หญิงเลยพระเจ้าสุตโธนนะเองก็ร้อนพระไทยเหมือนกันเราจะอยู่อย่างนี้จะทำยังไง ป, ปรารถนาที่จะได้ให้เป็นจั ก, กรพรรดินะฮะเพราะว่ากุงก บ, บินพัฒน์มันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรต่ออะไรเทวทหะก็เถิดเพราะก็จัด ก, การวางแผนนะนะคือเอาผู้หญิงสาวสวยๆก็ประกวดคัดสรรกันมาอย่างดีทั้งสองเมืองนั่นแหละเทวทหะกับก บ, บิลาพัฒน์เพราะว่าราชวงศ์ศักดยะกับโบริยะเนี่ยเขาแต่งงานค้ายสลับกันอยู่นะฮะแล้วเขาก็ไม่แต่งงานกับ ข้ำมข้ามวันนะข้ามเผา่าข้ามเผา่าเจ้าชายสาปอาตอนแจกของก็นั่งแจกแบบผู้เท่าแจกขนมเด็กไว้เลยก็ให้ดังวันอะไรตั้งก็ส่งไปให้เอ่ๆอส่งมาธรรมาดาพอมาถึงเจ้าหญิงพิมพายโสธราไอ้ น, นี่คือบุพเพสนิวาสก็เกิดพอเห็นปั๊บก็ มันเกิดความประทับใจนะ่ะความรักความผูกพันที่เคยเป็นสามีปัญญาผ่านพบชาติมาอนเนกนันนะแต่พอดีของขวัญมันหมดก็หญิงยะโสธราก็กราบตุนถามว่าก็มีอะไรจะประทานในหม่อมฉันบ้างไหมพี่คะจะเฉยแต่ก็งงก็ถอดพระธรรมรงให้เลยเพราะไม่มีของจะแจกก็ถือว่าเป็นจุด ที่มีพิรุธเกิดแสดงว่าสนพระไทยนะแต่ไม่ถึงกับจริงจังอะไรทไรลาไหรอกพระเจ้าสุโธธนะก็สรบความแล้วก็ไปติดต่อสู่ขอซึ่งก็ดูแลเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันคือเวลาเราอ่านตอนนี้ปนแปลกก็ที่จริงแม่ของพระนาง ของเจ้าหญิงยโสธราพิมพานะเป็นน้องสาวของพระเจ้าสุตตุธนะนี่แล้วทําไมหลานสาวของตัวเองอายุตั้งสี่หกไรยังไม่รู้จักมันไม่รู้จักนะก็แสดงว่าไม่ค่อยไปมาหาสู่หรือไม่ค่อยติดต่อมันเป็นธรรมเนียมอาจจะเป็นธรรมเนียมว่าแล้วก็เจอว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะให้อยู่บนประสาทเวลาไปไหนก็ออกมาได้แถวนักขัตฤรรกษ์วันนักขัตฤกษ์มันจะมีบริวาวรบรยสัทธ์ดวงวรมร้อมล้อมลงมา เป็นะบวนนะฮะไปไหนจะเป็นะบวนเลยก็เห็นลักษณะของสังคมอย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดมีปัญหาอย่างแม่ของปรจจุปันถกกับประมาปัจจุนเนี่ยถ้าไม่ได้กับคนใช้เพราะหเพราะเห็นผู้ชายคนเดียวตัวเองที่ไม่ใช่ญาติก็ไม่พอใจติดใจกับคนใช่แล้วก็เป็นาการปิดกั้นทางสังคมอย่างหนึ่ง แล้วก็เรื่องเหล่านี้มันก็มีตัวอย่างอยู่เยอะนะคือท่านแม่อธิบายเราว่าทําไมจึงไม่รู้จักแต่ว่าถ้าเราเทียบจะที่อื่นเนี่ยเตืนลักษณะทางสังคมว่าธิฎาของกษัตริย์ทิดาของพราหมหาสานเสฐีมหาสารเนี่ยจะถูกรักษาไว้บนปราสาทชั้นสูงสุดครูเคยก็สอนกันที่นั่นนะชั้นบนนะขึ้นไปอยู่ชั้นบนไม่ได้ไปไหนมองก็มองผ่านหน้าต่างจนขนาดเนี้ยนางคุณทนเกษีเนี่ย ก็ไปเห็นเขาแห่ไปจานพวกโจรขึ้นมาก็เกิดชอบอยากได้อยากได้เป็นสามีเพราะเธอไม่เคยเห็นผู้ชายมันก็มีปัญหาเงนแล้วเรื่องก็ยาวนะะคือสรุปว่าเราก็เออมันก็สังคมก็ก็แปลกอาจจะดีในจุดหนึ่งแต่ก็มีปัญหาในหลายๆจุดเหมือนกันพระเจ้วงก็เป็นห่วงพระเจ้าสุปราพท้าเองก็ตั้งประเด็นขึ้นมาว่า จะไว้เล่เจ้าชาย ต, ติตะถะติมติมอย่างนั้นเนี่ยเลยก็บอกว่าต้องพิสูจน์พิสูจน์ตอนนั้นมันมีเจ้าชายสามองค์นะฮะเข้าเป็นแข่งเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเทวทัตองค์หนึ่งแล้วก็อรชุนองค์หนึ่งแล้วอนันทะองค์หนึ่งเนี่ยมันเป็นใครอรชุนนี่คือใครเทวทัตเองเนี่ยเทวทัตองค์ไหนพระเทวทัตที่ ตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับพุทธเจ้ามันก็เป็นพี่ชายนะเป็นพี่ชายของยะโสธราพิมพาก็น่าจะเป็นเทวทัตคนอื่นเพราดูแล้วี่ชื่ออย่างนี้มันก็เหมือนกับชื่อโภมทัแตแบบโภมทัตมันชื่อเยอะเหลือเกินเมืองพาราสีถ้ต้องโภมทัตแต่นั้นทุกวันยังโภมทัตได้เลยนะแต่รามนครเนี่ยรามนครแมหาราชาอย่างรามนคร อยู่ด้านตรงกันข้ามกับท่าอโซเมตเนี่ยมันก็ยังเป็นอยังเป็นพระเจ้าพรหมทั์อยูไ่ไลยมันก็แปลกเดียวกันนะฮะเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันลูกเทวดาทั้งหลายเนี่ยติ่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนแสดงหมาสมัยสมสมยสูตรเนี่ยเรื่องหมาสมัยยสูตรเนี่ยมันชื่อชื่อ อ, อ, อินนั่นแหละอินดนามามหิติกา นะเป็นชื่ออินมีฤทธิ์มีอนุภาพมากชื่ออินกลยทั้งหมด แ, แสดงว่าอักษรศาสตร์ไม่ค่อยเจริญเท่าไรเหมือนกันหรือว่าชอบชื่ออย่างนั้นก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันก็ทําเนียมพวกอารยันนะนะคือเรียกนามสกุลแต่อย่างว่าพวกฝรั่งพวกเยอรมันพวกอะไรีพวกเชื้อสายอารยันทั้งหลายมันยังเรียกนามสกุลอยู้แล้วก็ ตกลงว่าต้องประกวดกันเจ้าชายทั้งสามองค์นี้ท่านเก่งนคนละอย่างคนหนึ่งเก่งทางยิงธนูคนหนึ่งเก่งทางดาบคนหนึ่งเก่งทางขีม่ม้าแล้วก็ทุกคนเห็นทุกคนก็ยกย่องหมดเก่งนะแต่พอมาประกวดข้าจิงเนี่ยตอนฟันดาบเนี่ยเจ้าชายธิรฐาท่านควนควบเลยต้นไม้เคียงกันสองต้นควนขาด ต้นไม้ไม่ล้มนะคนก็ตกใจกับเจ้าหญิงยงโสธราเอกเนี่ยตกใจตายหน่เลยแล้วลมค่อยโชยมาะลรลมตัดไม่รู้ตัวขาดไม่รู้ตัวนะแบบเนี่ยแบบพันธุละยิงพวกพวกพวกัดแอพฤชวีเนี่ยแล้วก็ตอนยิงธนูนั้นท่านไปยิงกับธนูของพระญาติแล้วก็ดึงก็หักคือเรียบแรงมากเขาบอกนะฮะบอกว่า ถ้าหมาบุรุษกับเนี่ยพวกนาวิสาขาเนี่ยนาวิสาขานั้นก็เป็นจักกรยา น, นีมีบุญญาธิการมากเขาบอกแรงมากมหาศาลนะสามารถเอาเอกนิ้ ว, น, วนิ้วเดียวนี่กดช้างให้โซมได้นะแต่ท่านเล่าอย่างนั้นแต่ถ้าเราดูเสื้อผ้า ข, ของท่านเนี่ยน่าจะจริงเพราะเสื้อผ้าเครื่องประดับระดามหาประสาทเนี่ยมัน โอ้ยประกอบด้วยอะไรตัวมีอะไรมากมายกก่กองร า, ราคาตั้งยี่สิบเจดยี่เจ็ดโกดะนะเครื่องประดับที่ท่านบอกไว้ในอนหลายกิโลอาจจะเป็นสิบสิบกิโลนะแต่ว่านางวิสาขากับทาสีท่านั้นเองทาสีนั้นถือได้ถือส่งน้ำหนักไว้ได้แต่ว่าถือนา น, านไม่ไหวเหมือนกันแต่นางวิสาขาน้นก็แต่งได้สบายเดินเหินได้สบาย ก็ร่างก็ไม่ได้ใหญ่ฮะแต่ว่ามันคนดีพิเศษคือคนคนมีบุญเฉยชทฉาเขากอมีแรงมากพราะทะนั้นน้าวธนูเสหักเลยแล้วก็มีธนูอย่างหนึ่งต้องใช้คนกงถึงถึงพันคนก็เรียกว่าสหัสสะอะไรเนี่ยสหัสสะธนูตรลงไปเอามา เจ้าชายคนม้าก็าได้ยิงสะบัดเสียงนี่กระคุมกล้องไปหมดเลยแล้วก็ยิงอย่างที่บอกว่าสนูไม่ได้ตกไม่เห็นที่ตกไกลเกินไปแต่พอมาเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าเจ้าชายที่สถามีม้า ก, กันตะกะมาก้าดีใครๆก็ขี่ม้า ก, กันตะกะก็ชนะได้ต้องลงเลิกไม่เอาให้ปราบมาเลยปราบมาพยศม้าตัวหนึ่งมันดุ พราเจ้กุมารแต่ละองค์ในบระองค์ไม่ทันได้ขึ้นเน่โดนเตะแล้วบางทีขึ้นมาขึ้นบางองค์ที่เก่งที่สุดเนี่ยคือนั่งได้แล้วโดนสะบัดเลยเจ้าชายถาค่อยๆไปป่าทีหลังนะองค์ก็ค่อยลูบไปยื่นยาให้กินนะค่อยๆลูบตัวก็แผ่เมตตาจิตก็อย่างที่เคยเล่าฟังนะว่าเมตตาโนภาพของท่านนี่แรง พระนนท์ได้เล่าไว้ว่าเวลาไปเขี่ยวกันในเชิงภาอีมาผานเนี่ยสัตว์ทั้งหลายตามเป็นปรวนนะแล้วไม่มีเขาของความดุร้ายจะเบียดเบียนบุธสรายกันมันเป็นลักษณะที่ใครๆก็งงอะ่ะว่าเหมือนกับพยาศ ท, ยที่ออกไปแล้วกษสัตย์ก็มาจากที่ต่างๆแล้วก็เดินตามท่านเป็นปรวนแล้วก็คนอื่นก็ไม่ทำร้ายรอบร้อมเจ้าชายแล้วก็อบปุ่นไม่เป็นคนที่ พิเศษอ่ะเพรา ะ, ะนั่นเราขี่มา้าควบม้าให้ดูสบายมากเลยตดลองเจ้าสายกัชนะชนะก็ตั้งากพิธีสุมพรให้แต่งงานกันแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าสังเกตนะว่าท่านอยู่ท่ามกลางสาวสันกำนันในแม้ตัวเลขมันจะมากไปอย่างที่บอก แต่ว่ามีลูกคนเดียวนะอย่าลืมว่าแต่งงานกันเมื่อประชาช 16, น 16-16 ถึง26ก็13ปี29เนี่ย13ปีมีลูกคนเดียวแสดงให้เห็นเลยว่าพื้นฐานอัธยาศัยของพระองค์การราคามันจางคลายไปเยอะ แต่ว่าก็ดีอย่างหนึ่งว่าการที่พระพุทธเจ้าท่านเจ้าชายกิตติธานี่มีพระโอรสไป้องค์หนึ่งเนี่ยพอถ้าไม่มีลูกไว้เนี่ยแต่งงานเนี่ยตั้งยี่สิบปีไม่ใช่ตั้งสิบ ป, ปีแล้วเกิดไม่มีลูกแล้วออกไปบวชเนี่ยโอ้ยมันสร้างข่าวปนปี่เหมือนกันนะเพราะนั้นก็พิสูจน์ได้ว่าไม่มีปัญหาไม่มีความบกพร่องในเรื่องอื่น เราสามารถเดูแครองเรือนเป็นพระเจา้าจักรพรรดิได้จริงๆเตียงว่าไม่ต้องการแต่นั้นเองมันก็แก้ปัญหาได้คือแค่กับไอจุดที่มันอ่อนแล้วมันก็แก้ได้แก้ไว้เป็นการลูกหน้าเราทำให้ประวัติของพระองค์ไม่มีจุดด่างไม่มีจุดด่งดดงดดงางก็ไปจับตรงไหนดูก็ได้นะฮะไม่มีคนที่ไม่มีไม่มีปรมรอยไม่มีปัญหาที่ผลักดันให้ออกปวดคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะ หรือคนเระบางครัง้งบคราวมันมีปัญหาออกบวดแล้วทําไม่บวชก็อยู่ไม่ได้แต่เจ้าชายเนี่ยสมบูรณ์หมดทุกอย่างและสละได้ไม่ว่าจะฐานะทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองทางการทหารทางอะไรทั้งหมดเลยนะทางความรู้ความสามารถเนี่ยเรามีความสมบูรณ์แต่ว่าไม่มีพระประสงค์จะอยู่ทอนั้นเอง แปลว่าพระไทยก็น้อมไปสู่บรรประชามารทังเดชต้นเให้จิตใจของคนเราเนี่ยมีความสำคัญเห็นไหมว่าที่เราพูดถึงคนกับสิ่งแวดล้อมนีะฮะแต่มันก็ทําให้นึกถึงไอ้ของดีดีเดชเหมือนเพชรเหมือนทองถึงรายเจ้าของก็เหมือนตัวอย่างถึงซ่อนตู้อุดถึงกุดหลงฝังก็งงมมีวันปรังกลังชุ่ยเลยเจ้าชาเสียตะถาเป็นลักษณะของเพชรที่ตกอยู่ในถ้ำกลางโคลนตรงเพราะว่ามันซึมก็ไปไม่ได้ ตัวอย่างที่ที่น่าคิดเป็นพิเศษก็คือว่าสังคมเราปัจจุบันเนี่ยมันมีสื่อมาแรงแล้วก็วันก่อนเนี่ยก็มีคนมาพูดถึงเรื่องอินเทอร์เน็ตเราฟังข่าววันก่อนก็เป็นห่วงอัตมาดูไม่เป็นนะนะฮะแล้วก็ไม่เคยดูแต่ฟังหนังสือที่เขาเล่าออเราก็มองเห็นว่าเอออันตรายนะอินเทอร์เน็ตเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าผู้ขายก็ต้องการกำไร แต่ผู้ซื้อก็ต้องการความมันแบบชาวโลกเนะี่ยเพราะในตัวเลขเหล่านี้ที่มันบอกว่าไปดูเรื่องเซ็กเรื่องอะไ ร, ต, ะไรต่างๆเนี่ยตัง้ง 45% วิชาการมันก็เยอะจริงๆวิชาการเยอะจริงๆแต่เราจะเห็นว่าไอ้คนที่สนใจวิชาการแล้วก็ติดตามข้อมูลทางวิชาการอยู่ตลอดมันมปัญหายากนี่คือสิ่งที่มีปัญหาว่า อินเทอร์เนต็ตเนี่ยอาจจะสร้างอาชญากรรมขึ้นมาอีกเยอะเพราะระไรพระวันปลุกเราปัญหาปัญหาทางเพศอาชญากรรมทางเพศอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการลักทรัพย์นะอาชญากรรมที่เกี่ยวกับสิ่งเสียดสีเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการเดียวกันเมื่อเธอมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นแล้วก็เธอมีความต้องการมากขึ้นเธอก็ต้องมีเงินนะมีเงินเธอหาเงินในทางชอบไม่ได้เธอก็ออกไปเงินในทางถุจริต เพราะวงจรตรงนี้จึงกลายเป็นวงจรที่น่ามองแล้วก็น่าระมัดระวังเอาไว้ปัญหาว่าภูมิจิตเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่วิธีแก้ไขต้องปูพื้นฐานระบบการศึกษาให้ได้แล้วให้เรามีภูมิจิตมีภูมิธรรมมีความเข้มแข็งภายในใจไม่อ่อนไหวโยกครอนไปได้แรงการยั่วยวนด้วยยุยัยว่ย ว, ย ว, ย, ว, ย, วยวนมาจากที่ต่างๆเลยเนี่ยมาชอบพูดคําว่า ขู่ให้กลัวกับยั่วยากแล้วมันเป็นอย่างนั้นเองให้ลองไปคิดดูเถอะว่าจริงๆเนี่ยอารมณ์ที่แรงเนี่ยคือขู่ให้กลัวกับยั่วยากแล้วพวกนี้มันจะผนึกเป็นเนื้อเดียวกันนะมายความการกระทําบางอย่างเนี่ยทั้งถูกขู่ให้กลัวทั้งถูกยั่วยากกันแหละเป็นแรงผลักดันที่ให้คนไปประพฤติกระทําอย่างนั้น แต่เจ้าสาธิฐะก็เป็นแบบเราเห็นว่าเอาเข้าจริงถ้าใจเราแข็งจริงแล้วข้างนอกทำอะไรไม่ได้เลยธาตุมันเป็นเพชรนะยังไงก็คือเพชรเพ่งฟังทงั้งหลายต่มรมรโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ได้เวลาเป็นตอนนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไยบูรณนธรรมจุมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี